จเจริญพนท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองมกราคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่สองของปีใหม่ญาติโยมยังได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเริ่มต้นปีใหม่ ให้ดีเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการที่เราจะทำให้ปีใหม่นี้ดีกว่าปีที่แล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเราทำการกระทำของเราในปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว ผลก็ต้องออกมาดีกว่าปีก่อนเหมือนกับชาวนาที่ปลูกข้าวถ้าปีนี้ปลูกข้าวมากกว่าปีที่แล้วผลที่ออกมาย่อมออกมามากกว่าปีที่แล้วฉันใดความสุขและความเจริญของชีวิตจิตใจของพวกเรานี้ก็อยู่ที่การกระทําความดีการ ละการกระทําบาปและการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปนี่คือเหตุที่จะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ามีความสุข ด, ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาแล้วในอดีต และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บรรพณตามมาจนปรากฏเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอันโปรเสริฐให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายเพราะการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำมาสั่งสอนนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราดีขึ้น เราก็ต้องทำความดีให้มากขึ้นทำบาปให้น้อยลงทำความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปแล้วชีวิตคือจิตใจนี้จะมีความสุขมีความสบายมากขึ้นทางศาสนานี้ไม่ค่อยสนใจกับเรื่องความเจริญทางด้านอื่นศาสนานี้พุ่งไปที่ความเจริญทางจิตใจ พะจิตใจนี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของชีวิตของสัตว์โลกและสัตว์โลกนั้นจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยจะสุขมากหรือสุขน้อยก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นๆสิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้ส่วนใหญ่มักจะให้ความทุกข์มากมากกว่าให้ความสุขแต่เนื่องจากสัตโลกทั้งหลาย ยังถูกอำนาจของความหลงครอบงำจิตใจอยู่จึงทำให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นตรงจากเป็นดอกบัวเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เห็นความทุกข์ที่ติดมากับความสุขเล็กๆน้อยๆนั้นเพราะความสุขที่เราได้นี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจัง คือความไม่เทียทนนเเท่ยงแท้แน่นอนเมื่อไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็จะสร้างความวิตกกังวลใจให้ตามมานั่นเองเวลาเรามีความสุขกับอะไรเราก็มักอยากจะให้ความสุขนั้นอยู่กับเราไปเสมอแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปเสมอทุกสิ่งทุกอย่างมีการเจริญ และมีการเสื่อมไปในที่สุดในขณะที่เจริญเราก็ดี อ, อกดีใจกันมีความสุขกันแต่เวลาที่เขาเสื่อมไปนี้เราก็จะทุกข์ทรมานใจกันดังนั้นไม่ว่าเราจะมีอะไรมากน้อยเพียงไรไม่ว่าจะมีลาบยศสรรเสริญมีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสมากน้อยเพียงไรก็ตามเราก็จะต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้นมีการเจริญและมีการเสื่อมนั่นเองเวลาเจริญก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นเวลาเงินทองไหลามาเทมามีตำแหน่งเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนใจแต่เวลาที่เงินทองหยุดไหลามาเทมาหรือเงินทองเริ่อหมดไป นี่ตอนนี้ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ไปยึดติดกับลาบยศฉลเสริญกับความสุขทั้งรูปเสียงกลิ่นรสเวลาเขาเสื่อมไปเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าที่เกิดจากการทําความดีเกิดจากการละบาปเกิดจากการชําระ ใจของเราให้มีกิเลสน้อยลงไปและหมดไปในที่สุดเพราะกิเลสนี่แลเป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเรากิเกลสนี้ชอบอยากจะได้มากๆไม่อยากจะเสียแต่ความจริงของโลกนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่มีใครได้แล้วไม่เสีย ทุกคนนี้จะต้องเสียไปไม่ช้าหรือเร็วเพราะทุกอย่างนี้ต้องหมดไปนั่นเองชีวิตของเราส่วนหนึ่งคือร่างกายนี้จะต้องหมดไปและเมื่อหมดไปแล้วสิ่งที่เราได้มากับร่างกายเช่นลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องหมดไปเช่นเดียวกัน แต่ชีวิตของเราอีกส่วนหนึ่งนี้ไม่หมดไปกับร่างกายส่วนนี้คือใจใจนี้แหละผู้ที่จะต้องไปเกิดใหม่อีกถ้ายังไม่ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นตัวผลักดันให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างไม่ไม่มีวันสิ้นสุด และเมื่อไปเกิดแล้วก็ย่อมจะต้องไปพบกับความสุขเล็กๆน้อยๆและพบกับความทุกข์อันใหญ่โตอย่างที่พวกเราคงได้เคยประสบกันมาบ้างแล้วและอาจจะต้องประสบต่อไปอีกถ้าเราไม่รีบปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วความทุก ภายในใจนี้จะน้อยลงไปเรื่อยๆจะมีความสุขภายในใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าลาบยศเสริญสุขจะเจริญหรือเสื่อมก็ตามจะไม่มีอํานาจที่จะมาลบล้างความสุขที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หายไปได้นี่คือ เรื่องที่เราควรจะให้ความสาคัญก็คือดูแลรักษาใจของเรายิ่งกว่าการดูแลรักษาสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เรารักษาได้เพียงในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่เราจะไม่สามารถรักษาเขาไปได้ตลอดร่างกายของเราหรือของคนที่เรารักก็เป็นอย่างนี้เรารักษาได้ในระดับหนึ่ง แต่พอถึงเวลาที่เขาจะต้องรักษาไม่ได้ก็ไม่มีใครที่จะรักษาได้ต่อให้มีหมอวิเศษเพียงไรมียาวิเศษเพียงไรต่อให้มีฐานะการเงินมีตำแหน่งสูงเพียงไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะมาเยียวยารักษาร่างกายนี้ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือให้สายได้เพราะนี่เป็นกฎของชีวิตกฎของร่างกายเป็นอย่างนี้ร่างกายอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือไม่เที่ยงอยู่ภายใต้กฎของอนัตตาคือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของผู้หนึ่งผู้ใดร่างกายเขาอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติที่มีการเจริญและมีการเสื่อมหมดไป แต่ใจนี้สามารถที่จะอยู่เหนือกฎของอนิจจังกฎของอนัตตากฎของทุกขังได้ถ้าปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาดูแลรักษาใจกันและให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆเช่นลาบยศชละเสริญสุขอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปยินดี แต่ถ้าสัมผัสก็ให้รับรู้ไว้เฉยๆเช่นเวลาได้เงินได้ทองมาก็ให้รับรู้ว่าได้มาแต่อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปยินดีอย่าไปพึ่งเงินทองเป็นสารณะเพราะว่าถ้าเราไปพึ่งแล้วใจของเราก็จะต้องมีความผูกพันมีความยึดติดและจะเกิดความทุกข์กังวลใจขึ้นมา ในยางที่สิ่งที่เราได้มานี้ต้องมีการจากเราไปมีการเสื่อมไปเราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีลาบยศสรเสริญสุขเพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างมาแล้วได้อยู่มาแล้วให้เราเห็นแล้วเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็ติดอยู่กับลาบยศ ส, สังรสนุข แต่ท่านทรงเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขใจพระองค์จึงทรงสละลาชสมบัตสละลาภยศฉลเสริญสุขแล้วออกมาปฏิบัติทำความดีละบาปละกำจัดความโลภความโกรธความหลงในพระทัยของพระองค์จนหมดสิ้นไปเมื่อหมดแล้วพระทัยของพระองค์ก็เป็นพระทัยที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นพระทัยที่เต็มไปด้วยบรลมสุขปรมังสุขขังเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังสุขของพระนิพพานนี้เป็นสุขที่ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยนี่แหละคือจิตใจของพวกเราที่ไม่ได้ทายไปจากร่างกายแต่ยังต้องไปรับ บุญรับกรรมอยู่ถ้าเราไม่สามารถทาจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทําได้แต่พวกเราทุกคนนี้มีโอกาสมีความสามารถมีสิทธิที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ทุกคนเพราะตอนนี้เรามีคำสอนแล้วเมื่อก่อนนี้เราไม่มีสิทธิไม่มีความสามารถพอ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วนำเอาคำสอนมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราในสมัยนั้นไม่มีใครบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้แม้แต่คนเดียวแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้วได้นำเอาคำสอนมาเผยแผ่ให้แก่สามโลกแล้วก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์เป็นจำนวนมากปรากฏขึ้นมาตลอดระยะเวลา ตั้งแต่สมัยพระพุทธการจนถึงสมัยปัจจุบันนี้โลกของเรายังไม่ได้ขาดจากการมีพระอาหารหันต์เลยมีพระอาหารหันต์มาทุกยุคทุกสมัยซึ่งพวกเราก็คงเคยได้ยินได้ทราบกันและได้เป็นสัก ข, ขีพยานเพราะพระอาหารหันต์นี้ยานที่ท่านมรณภาพไปแล้วกระดูกของท่านนี้จะกลายเป็นพระาธาตุไป กระดูของปุ้ทุชนอย่างพวกเรานี้ไม่จะไม่กลายเป็นพระธาตุแต่จะกลายเป็นฝุน่นกลายเป็นดินไปแต่มีกระดูของพระอาหารหันต์เท่านั้นที่จะกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาให้พวกเราได้กราบไหว้บูชาและเป็นเครื่องให้กำลังใจแก่พวกเราว่าพวกเราก็มีโอกาส มีความสามารถมีสิทธิ์ที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นพวกเราจึงควรมีความยินดีที่พวกเราได้มาเกิดและได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะเราจะได้มีสิทธิ์ที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีสิทธิ์ที่จะได้พบกับความสุขที่ถาวร แต่เราต้องทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็คือทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำดีให้ละบาปและให้ชำระใจให้เราของเราให้สะอาดบริสุทธิ์การความควา ม, ความดีก็มีหลายรูปแบบอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาทำความดีกันคือนำมากับข้าวกับปลาอาหาร ของข่าวของหวานจะตุปปัจจัยเครื่องใช้ไม่สวยมาถวายกับพระอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำความดีโดยสรุปก็คือการกระทาบันไดก็ตามทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่เป็นโทษแก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการทำความดีขอให้เราทำไปเถิดเพราะนอกจากประโยชน์ที่ผู้อื่นจะได้รับแล้ว เราก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันเราจะได้รับประโยชน์ทางจิตใจส่วนผู้รับก็จะได้รับประโยชน์ทางข้าวของต่างๆประโยชน์ที่เราให้ไปนี้กับประโยชน์ที่เราได้รับนี้มีคุณค่าต่างกันมากประโยชน์ที่เราเสียไปนี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่เราได้รับภายในใจของเรานี้เหมือนฟ้ากับดินเ oui. พราะใจของเรานี้มีความสาคัญ กว่าสิ่งกร่างกายของเราเหมือนฟ้ากับดินนั่นเองดังนั้นทุกครั้งที่เราทำประโยชน์ให้แก่ใจของเราด้วยการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนี้เราได้กำไรเราไม่ขาดทุนเราอาจจะเสียข้าวของเงินทองทรัพย์สินไปบ้างแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียมันหมดไปอยู่ดี ถ้าเสียแบบนั้นเราจะเสียแบบขาดทุนเพราะเราไม่ได้อะไรทางด้านจิตใจเลยแต่ถ้าเราเสียแบบนี้เราได้กําไรมากกว่าที่เราเสียไปเพราะใจเราจะสูงขึ้นใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นใจเราจะเป็นเทพขึ้นไปผู้ที่ให้นี่แหละเรียกว่าเป็นเทพเพราะมีจิตเมตตากรุณามีจิตที่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีจิตที่พร้อมที่จะให้อภัยไม่จองเวรไม่อาฆาตพยาบาทเป็นจิตที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจิตนี้แหละจึงเรียกว่าจิตของเทวดาคนที่ทำบุญให้ทานด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์คือไม่ได้ปรารถนาสิ่งตอบแทนจากผู้รับ บุคคลนั่นและได้กลายเป็นเทวดาไปแล้วทั้งๆ ท, ที่ใจร่างกายนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่เพราะเทวดาหรือพทัศภ พ, พชาติต่างๆหรือฐานะของภพชาติต่างๆนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจถ้าใจได้ทําคุณสมบัติของภพชาตินั้นก็จะได้เป็นอย่างนั้นภายในใจทันที เช่นถ้าทำบุญทำความดีละา บ, บาปก็จะเป็นเทพไปถ้านั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบได้ด้วยก็จะเป็นพรหมไปถ้าจเจริญปัญญาพิจารณาใจรักและปรงอนิจจงทุกขังอนัตตาได้ปล่อยวางสภาวธรรมทั้งหลายเช่นลาบยศชะละสรสญสุขหรือเ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดจิตใจนั้นก็จะกลายเป็นพระอริยเจ้าขึ้นไปตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปเป็นในขณะที่ร่างกายนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่พระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนร่างกายของพระองค์ร่างกายของพระองค์ก็ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ แต่ใจของพระ อ, องค์นั้นเปลี่ยนจากเจ้าชายสิทธัตถะไปเป็นพาาระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วด้วยการปฏิบัติด้วยการชำระความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจจนหมดสิ้นไปในทางตรงกันข้ามถ้าใจถ้าเราไปทำบาปเราก็จะกลายเป็นเดรัจฉานไปถ้าเราไปทำบาปอย่างรุนแรงเราก็จะกลายเป็นสัตว์นรกไป เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายดังนั้นคนเหล่านี้จึงมีความแตกต่างกันที่ใจใจบางคนก็ดีใจบางคนก็ร้ายเพราะการกระทาของเขาเพราะความคิดของเขาถ้าเขามีความหลงมากเขาก็จะทำบาปทำกรรมมากถ้าเขามีความหลงน้อยมีปัญญามากเขาก็จะทาบุญทากุศลมาก เพราะเขารู้จากธรรมชาติของใจเขาว่าจะดีหรือจะชั่วนั้นอยู่ที่การกระทําของเขาเองไม่ได้อยู่ที่ผู้ผู้อื่นไม่สามารถสาบแช่งให้เราเป็นเดรัจฉานหรือเป็นสัตว์นรกได้ผู้อื่นไม่สามารถอวยพรให้เราเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าได้มีแต่เราเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้น ดังนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นเราก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพ่อพระจ้าและการที่เราจะปฏิบัติตามได้นั้นเราก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานคือเราต้องกําหนดว่าปีนี้เราจะทําสิ่งที่ดีกว่าเก่า ให้มีมากขึ้นไปมากกว่าเก่าและเราจะละบาปให้น้อยลงไปเราจะชำระความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปถ้าเราไม่ตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วเดี๋ยวพอเลยวันปีใหม่ไปสักสองสามวันประกายเป็นปีเก่าไปละความรู้สึกที่อยากจะทําความดีก็จะค่อยๆจางหายไป เหมือนกับปีที่แล้วที่ในวันปีใหม่พวกเราก็มีความรู้สึกคึกคักอยากจะทำบุญอยากจะทาความดีกันแต่พอผ่านไปไม่กี่วันพอถูกความหลงมาครอบงำก็ทำให้เกิดความโลภความโกรธความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความโกรธตามมาก็เลยลืมว่าจะต้องควรจะต้องทำอะไรก็เลยทำไปตามอารมณ์ เวลาโกรธก็เลยทำร้ายผู้อื่นกล่าวร้ายต่อผู้อื่นเวลาโลกก็ไม่สนใจถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นทำอะไรก็ขอให้ได้ดังใจของตนพอมาถึงสิ้นปีก็เลยเห็นว่าชีวิตของตนนี้ไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่ได้ปรารถนาไว้ในตอนต้นปีเลยชีวิตก็ยังมีความวุ่นวายว่าวุ่นขุ่นมัวเหมือนเดิมหรือมีมาก ขึ้นกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำไปนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ตั้งสัจจะอธิษฐานนั่นเองคำ ว, ว่าอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจเราต้องตั้งใจว่าปีนี้เราจะทำความดีให้มากขึ้นทาบาปให้น้อยลงชำระความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปเราต้องตั้งเป้าไว้เหมือนกับเราทำแผน เช่นเราทําการค้าเราก็ต้องวางแผนว่าปีนี้เราจะเพิ่มรายได้ขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ต้องขยายการผลิตเราต้องการเราก็ต้องขยายการตลาดให้มีลูกค้ามาซื้อสินค้าของเรามากขึ้นเราก็ต้องวางแผนกันเมื่อเราวางแผนเสร็จแล้วเราก็ต้องดําเนินตามแผนที่เราวางไว้เรียกว่าต้องมีสัจจะเราตั้งใจจะทําอะไรแล้วเราต้องทําให้ได้ เราอย่ากโกหกตัวเราเองอย่าบอกว่าเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่ทำอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะแต่ถ้าเรามีสัจจะแล้วไม่ว่าเราจะตั้งใจจะทำอะไรเราก็จะต้องทำให้ได้ยกเว้นถ้ามันสุดวิสัยถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปเท่านั้นที่เราจะไม่ทำอย่างพระพุทธเจ้านี้ทรงตรัสรู้ ได้ก็เพราะพระ อ, องค์ได้ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ในขณะที่ตั้งนั่งอยู่ภายใต้ต้นโพได้ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งปฏิบัติภาวนาไปจนกว่าจะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ตัดสรู้ถึงแม้ว่าเลือดในร่างกายนี้จะเหือดแห้งไปพระ อ, องค์ก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปโดยเด็ดขาด คือทางเลือกมีอยู่สองทางดังนั้นก็คือถ้าไม่ตัดสรู้ก็ต้องตายเท่านั้นนี่คือสัจจะอธิษฐานของพุทธเจ้าที่ทําให้พระ อ, องค์ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงปิดทางหมดแล้วไม่ให้มีข้อแม้ไม่ให้มีเงื่อนไขให้ทําอย่างเดียวให้ปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้น พวกเราก็ต้องมีสัจจะแบบนี้ต้องมีตั้งอธิษฐานแบบนี้ว่าเราต้องทำความดีให้มากขึ้นทำบาปให้น้อยลงกับจัดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปพอเราได้มีอธิษฐานและมีสัจจะแล้วสิ่งที่ต้องทำอีกขั้นหนึ่งก็คือเราต้องมีความภาคเพียรต้องมีความพยายามไม่ใช่ ตั้งใจไว้แล้วแต่ไม่พยายามเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เอาความเกียดคร้านเข้ามาถึงเวลาที่จะต้องทำก็ไม่ทำอย่างนี้หรือทำน้อยทำพอหอมปากหอมคออย่างนี้ก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเราต้องพยายามทำอย่างเต็มที่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นและประการสุดท้ายที่เราจะต้องมีกำกับอีกอย่างหนึง่ง ก็คือขันติความอดทนเพราะการกระทำความดีการละบาปการต่อสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนี้จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งเราจึงต้องมีความอดทนต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าเรามีความอดทนแล้วเราก็จะฝ่าฟันความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการทำความดีเกิดจากการละบาป และเกิดจากการต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงของเราได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วและพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติมาแล้วพวกเราก็จะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายถ้าเราเอาสิ่งที่ท่านทรงส่งสอนมาปฏิบัติตามคือให้มีสัจจะอธิษฐานให้มีวิริยะความภาคเพียรพยายาม และให้มีขันติที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าลอบลองได้ว่าปีนี้ชีวิตของเราจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนจะมีความสุขใจมากขึ้นจะมีความว้าวุ่นขุ่นมัวความทุกข์ใจน้อยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปในที่สุดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเริ่มต้นชีวิตที่ดีสาหรับปีใหม่นี้ให้ท่านได้นาเอา สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์และสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจใจ ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งแกราดปลอดภัย<ม>จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ